ถ้าเราคนไหมีสติก็ไม่ต้องเป็นบ้าแล้วเป็นคนมีสติเป็นคนธรรมดาธรรมดาเป็นคนตรงไปตรงมาไม่คดไม่โกงไม่ตลกเฮาอยู่อย่างนั้นมีความสุขอยู่กับตัวเองมีความสุขอยู่กับสติสมาธิปัญญาฉะนั้นพระุทศาสนาจึงสอนเรื่องสติสมาธิปัญญาเท่านั้นไม่ได้สอนเรื่องอื่นเรื่องอื่น ม, มาทีหลังมาทีหลังไม่ได้มาก่อน ถ้าบุคคลไหนเอาเรื่องอื่นมา ก, ก่อนแล้วกอยึดจิดนั่นก็คนสมัยโบราณเนี่ยเอาหมาครูบุรญถวายพระเป็นประเพณีสมัยก่อนไม่มีอะไรท่านก็ทํำไปอย่างนั้นสมัยนี้มันมีแล้วเอาสิ่งอื่นแทนก็ได้จะเอาเป็นน้ำบัดลมลหรือน้ำชาหรือน้ำออื่นน้ําพนัก็ได้สมัยก่อนไม่มีอะไรท่านก็ทำอย่างนั้นนเมาเอาคราูบุรญถวายพระเดี๋ยวนี้มันสมัยมันจเจริญแล้วเราต้องเปลี่ยนใหม่บ้าเป็นคนทันโลกบ้าง อย่าลาหลังโลกทันโลกพุทศาสนาสอนให้ทันโลกไม่ใช่ล้าหลังโลกจะเป็นสมัยไหนก็ตามพุทธศาสนาก็ยังใหม่อยู่ใน ว, วันวันณักกวักคือเป็นผู้ใหม่อยู่เห็นอยู่เข้าใจอยู่พิ่งนั้นมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องีไม่ต้องไปไหว้ถีไม่ต้องไปถือเลือ่อยถือยามไม่ต้องไปอ่าถือมนต์คาถาอะไรมันล่าสมัยแล้วสมัยขอามเป็นระดสูงแล้ว สมัยก่อนนี้ไหมไฟฟ้าอย่างนี้ก็ไม่มีในแต่เครื่องที่พูดอยู่เนี่ยไมโครโฟนนี่ก็ไม่มีแต่เดี๋ยวนี้มันมีมันมีแล้วก็ต้องใช้ใช้ไปตามการตามสมัยนี้เขรี ว, ว่าทันสมัยแต่ไปใช้ให้มีประโยชน์ชนใช้มันถูกต้องสติของเราก็มัน ก, กันถ้าเราจเจริญสติตมากๆเจริญสติไดหลายๆแล้วก็ทันโลกไม่ใช่เป็นคนหลงโลกเป็นคนทันโลกถ้ามากขึ้นมากขึ้นก็เหนือโลกเป็นผู้ที่เหนือโลกไม่ติดอยู่กับโลก เนะมือนกับพระอริยเจ้าบุคคลทั้งหลายทนะ่านไม่ติดอยู่กับโลกท่านเป็พุทเหนือโลกเหนือบุญเหนือบาปเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่เลกมลคนคาถาท่านก็อยู่เหนือมันคือไม่ไปตินะไม่วิดกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเหนือดังนั้นกันเรามาเจริญสตินี้ก็เพื่อเหนือโลกเข้าใจโลกไม่เข้าใจได้ก็เอาสบายสบายจะไปอยู่ไหนก็สบายสบายสบายสบาย จะนั away away. Time, so at ่งอยู่ก็สบายสบายสบายจะเดินอยู่ก็สบายสบายสบายแม้แต่จะทําอะไรอยู่ก็สบายอยู่เพราะเป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองจะเขาจะว่ายังไงก็ตามแม้แต่เขาจะด่าเราเนี่ยก็สบายสบายอยู่เหมือนอย่างที่อาตมาเนียไปเดินจงกรมอยู่โน่นอยู่ทางเมืองเลยก็อยู่เมืองเลยก็ไม่ใช่ว่าอยู่วัดป่าพุอย่างเดี้ยก็ไปเรื่อยๆในช่วงเข้ามันสายก็ไปหายจำมัสาอยู่บ้านน้อย บานที่เขาไม่มีอะไรนะใส่กั บ, บรษานั้นก็ไปเดินโยมกลมไม่เขาเห็นเ้าก็ว่าพระอะไรพระตัวเล็น้อยเดินโยมกลมนั่งกับผีบ้าเท้าก็เดินกลับไปกลับมาอ้อมสลาอยู่นเอ้อมกดตีตัวเองอยู่ทําน้ําบนก็ไม่ทําเขาเป็นบนเขาว่าพอไม่รับพระผีบ้ามาจากไหนแต่เจอพเราก็สบายที่เขาจะด่ายนั้นก็สบา ย, ยู่เพราะอะไรเพราะเราดูใจ เห็นใจเอาอะไรเข้าไปดูสติที่เราเจริญมาเนี่ยที่เราปฏิบัติเห็นอยู่เข้าใจอยู่คําที่เขาด่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งตัวเราก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเราต้องแยกออกไม่ใช่ว่าเอามารวมกันไว้คําที่เขาด่านก็แล้วไปเขาทิ้งแล้วเราไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บเอาไว้ในใจไม่ต้องเก็บเข้ามาสู่ใจของเราเพียงจะให้มันผ่านไปทีละขนาดนั้นเลยพอด่าแล้วก็แล้วไปพอด่าแล้วก็แล้วไปเราไม่เข้าสู่ใจเราไม่เปิดประตูรับ เราปิดประตูแล้วปิดประตูหัวใจแล้วไม่รักใครอีกแล้วเขาจะมีสีห้องปิดสีห้องอมีห้าห้องปิดห้าห้องไม่ต้องเข้ามาแล้วอะสบายนี่เราเปิดอยู่ตลอดเปิดออกเปิดใจอะไรเข้ามาก็ฝ่าเข้ามาเข้ามาหมดเลยจ ะ, <c oughs> <c oughs> ะนั้นพ <c oughs> ี่หรอโอ้ยเลยหลกวถึงุไหมว่ามันใหญ ที่เราเป็นทุกข์เดี๋ยวนี้เพราะว่าเราเปิดกว้างเปดิดอกเปิดใจมากเกินไปพคำว่าสตินี่เป็นเครื่องกั้น <S <S เครื่องกั้นในทางที่เขาเรียกว่ากั้นนิบอนไม่ให้เข้ามาสู่จิตสู่ใจะกั้นเอาไว้สติเป็นเครื่องกั้นทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ความดีสติก็กั้นเอาไว้ทำไมยังพูดอย่างนั้นเปล่าความดีนี่ก็ทําให้คนหลงเหมือนกันหลงในความดีเหมือนกันมอในความดีเหมือนกัน ฉะนั้นสติได้ ว, ว่าสิ่งที่พอดีกัน้นในสิ่งที่พอดีคือไม่เป็นอันตรายรู้เห็นรู้เห็นรู้เห็นตามความเป็นจริงอยู่อย่างนี้เช่นนี้เพราะนั้นสติจะมีคุณค่ามากมีราคามากไม่ต้องลังเลสงสัยที่พาไปเพื่อปฏิบัติธรรมนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะบุคคลไหนมีสติบุคคลนั้นประเสริฐควรจะาพาควรจะเรียงว่าประเสริฐแล้วแต่ไม่แต่เราก็ไม่ต้องไปว่ า, วาเราประเสริฐโอ้ยข้าใหญ่โอ้ยเราไม่ต้งว่างั้น คือมันอยู่ข้างในมันเห็นข้างในรู้ได้เฉพาะตัวเองบุคคลนั้นมีสติมากๆไปเรียนมากๆก็รู้ได้เฉพาะตัวเองคือทําลายทุกตัวเองไม่ไม่ใช่ว่าไปทําลายเรื่องอื่นทําลายเรื่องทุกตัวเองทุกเกิดขึ้นแล้วก็ทําลายได้เราเห็นได้เราเข้าใจได้แล้วก็อยู่อย่างนั้น่ะอยู่อย่างสบายสบายจะไปไหนมาไหนก็ไม่มีปัญหาไม่เดือดร้อนกับตัวเองดังนั้นการจเจริญสตินี้น่ที่พายทำอย่างนี้จึงเป็นบทบาท ในทางพระศาสนาในทางนำโนชีวิตเป็นสิ่งที่ทุกคนทําได้ไม่ย ก, ยกเว้นเพราะว่ามีอยู่แล้วสติมีอยู่อยู่ทุกคนไม่ได้ยกเว้นมีอยู่แต่ว่าเราไม่รู้เพราะอะไรเพราะอ่าเราเร า, เราไม่มาศึกษาขาดการศึกษาขาดกรรมฐานขาดครูบาอาจารย์มันขาดอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้เรามาเรามาเามาโชคดีแล้วที่เรามามีครูบาอาจารย์ มีพระเจ้าประสงค์มาหลรงพิชิตปฏิบัติธรรมมีญาติธรรมในหลายคนในมาร่วมกันและมาช่วยกันเผยแพร่ถึงเราจะไม่ได้พูดไม่ได้แสดงธรรมก็จะว่าเรามาร่วมกันปฏิบัติธรรมมาสนทนาธรรมกันการปฏิบัติด้วยการประกาศพระศาสนานั้นไม่ต้องพูดอย่างเดียวต้องทําด้วยทําให้อยู่ทาให้ดูอยู่ให้เห็นด้วยนั้นะะนั้นเราจึงมั่นใจในการปฏิบัติ ถึงเราจะอเดี๋ยวนี้ไม่รู้วันนี้ต้องให้มันรู้ให้มันเข้าใจให้มันให้มันเข้าใจเยอะๆขึ้นไล่ๆขึ้นมันมันไม่สายหรอกไม่สายเกินแก่เพราะว่าวันพรุ่งนี้เราก็จะอยู่กันแล้ววันื่นนี้ก็จะเลิกกันอเอาวันนี้เป็นที่พรุ่งนี้เป็นที่สองวันเป็นที่ลองลองดูตั้งใจลองทําดูถึงนี้ผ่านมาแล้วก็แล้วไปั่งมันมันผ่านมาแล้วถ้ามันมันผ่านมาแล้วมันเอาเกนไม่ได้ แล้วผมรู้อยู่ว่ามันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปแต่ว่าจะผ่านไปอีกเราต้องเอาออกให้มันได้เอาให้มันได้มันเขาเตะพุทธวรเนี่ยแม้แต่นาทีสุดท้ายเขายัางพยายามที่จะเอาปศัตูให้ได้เขายังเขายัางไม่ลามือนะั้อีกห้านาทีบางทีทํำได้ก็ได้เนี่ยเป็นอย่างนั้นเราก็เหมือนกั น, น่ไม่ต้องบอกโอ้ยทำมานานแล้วไม่รู้อะไรหรอกทำมาหลายวันแล้วออย่าไปพูดอย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นคิดแต่ว่าเราจะเอาให้ได้ถึงไม่ได้เดี๋ยวนี้กับพุ่งนี้ก็ให้มันได้ พรุ่งนี้ก็ได้ก็มาเลย น, นี้ไปเรลยเพราะว่ามันไม่เกิดชีวิตเราไม่เสียเราเปลี่ยนได้แก้ไขได้เราทําได้ไม่ใช่ว่ามันทําไม่ได้สิ่งที่ทําไม่ได้ก็ม่นตายถ้าตายแล้วก็ทําไม่ได้แล้วาก็ไม่กินอะไรก็ไม่เอาแล้วมันทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันมีความรู้สึกเรามีชีวิตอยู่อย่งนี้แสว่าเรามีความรู้สึกตัวอยู่อย่างนี้เรามีชีวิตอยู่อย่างนี้เ ร, นเราเห็นอย่างนี้เราต้องทําได้แก้ได้เราะนั้นก็หวังว่าญาติธรรมของเราก็คงจะ ทำได้หรือเข้าใจได้ในสิ่งที่พาทำพาสร้างพาปฏิบัติเนี่ยหรือว่ามั่นใจในตัวเองท่านมากขึ้นให้เข้าใจ ม, มากขึ้นเท่างที่กับ <c oughs> ผมเองเรือเอ่อาจมัยก็กล่าวมาก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่อยากจะพูดให้มันมากไปกว่านี้ถ้พูดมากไปก็มันก็อนุเก่านั้นก็การได้ยินได้ฟังก็ถือว่า เ, เราได้ยินได้ฟังมามากแล้วอาตมาก็ ว่ากับพ่เมงก็ขอใหญาติธรรมของเราทุกทุกท่านทั้งภิสุกแมเนนแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาจงเจริญสติให้มากๆทำความรู้สึกตัวให้มากๆและเราจะได้สิ่งที่เราปรารถนาคือตัวสติสมาธิปัญญาคือเป็นหัวใจของพระศาสนาทุกทุกท่านทุกทุกคนเพลิน